การที่พวกเราให้ความสนใจต่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพราะเรามีศรัทธามีความเชื่อว่าการศึกษาและการปฏิบัติธรรมจะทำให้พวกเรา ได้หลุดพน้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเหมือนกับที่เรามีศรัทธาความเชื่อในสถาบันการศึกษาของถังโลกที่พวกเราจะเลือกโรงเรียนที่ดี ที่ผลิตนักเรียนที่เก่งที่ฉลาดที่สามารถก้าวไปในทางโลกเจริญในทางโลกโรงเรียนใดที่ผลิตนักเรียนได้เป็นนายกได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นมหาเศรษฐีได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ต่างๆโรงเรียนนักโรงเรียนนั้นมักจะมีผู้ที่อยากจะไปส่งลูกไปเรียนหนังสือเพราะอยากจะให้ลูกฉลาดลูกเก่งและลูกจะได้เจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไปชั้นใดชั้นนั้นพวกเราก็มีความเชื่อในการมาศึกษา มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะทำให้พวกเราชีวิตของพวกเรานี้จเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับจากระดับปุตุชนขึ้นไปสู่ระดับเทพระดับพรหมระดับพระอริยเจ้าได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ บรรลุถึงพระนิพพานแดนอันกเกษมสันที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเป็นแดนที่ให้ความสุขที่ถาวรเป็นผลที่เกิดจากการที่มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและศึกษาตามพระธรรมคำสอนและปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดอย่างขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยไม่ย่อหย่อนนี่คือธรรมที่พวกเรามีกันในเบื้องต้นคือศรัทธาความเชื่อพอเรามีศรัทธาแล้ว เราก็จะมีความตั้งใจที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับการไปเรียนหนังสือที่มีการแบ่งชั้นเป็นชั้นๆมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไปจนถึงชั้นอุดมศึกษา ธรรมะของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็แบ่งเป็นชั้นๆเหมือนกันชั้นที่หนึ่งเรียกว่าทานชั้นที่สองเรียกว่าศรรีลชั้นที่สามเรียกว่าสมาธิชั้นที่สี่เรียกว่าปัญญานี่คือห้องเรียนของพุทธศาสนาชน ที่จะต้องเรียนกันเป็นชั้นๆไปขั้นต้นท่านที่หนึ่งท่านก็สอนให้พวกเราทำทาน<ม>คือให้เราแบ่งปันเสียสละประโยชน์สุขที่เรามีมากเกินความต้องการมากเกินความจําเป็นไม่ควรที่จะหวงเก็บเอาไว้เพราะไม่เป็นประโยชน์ กับเรานอกจากไม่เป็นประโยชน์แล้วยังกลับเป็นโทษกับเราได้เราควรที่จะแบ่งส่วนนี้ออกไปเรามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีมากเกินที่เราจะใช้ได้เก็บไว้ก็จะเป็นภาระทางจิตใจ เพราะว่าเราจะต้องดูแลรักษาแล้วเราก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการดูแลรักษามันแล้วถ้าเรามีความรักมีความหวงมันก็จะเกิดความไม่สบายใจให้กับเราได้เวลาที่เราคิดว่าเราจะต้องสูญเสียทรัพย์ สมบัติเข้าของเงินทองที่เรารักที่เราหวงไปแต่ถ้าเราเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรารักที่เราหวงนี้มาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นมันก็จะทําให้เราคลายความรักความหวงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมันก็จะทําให้ความทุกข์ ที่เกิดจากความรักความหวงนี้น้อยลงไปถ้าเราทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เป็นประจำต่อไปความรักความหวงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความรักความหวงก็จะหมดไปเวลาที่เราต้อง พัดพากจากทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเราก็จะทำได้อย่างง่ายดายเพราะว่าถ้าเราอยากจะเลื่อนชั้นขึ้นไปเราก็ต้องสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เรารักเราหวงที่เรามีอยู่ถ้าเราอยากจะได้เรียนชั้นที่สูงขึ้นไป เราจำเป็นที่จะต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดเลยเวลาเราเรียนชั้นสูงๆแต่ชั้นที่หนึ่งนี้เรายัางไม่ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดเราเพียงแต่สละไปในส่วนที่เราไม่ต้องใช้มัน มีอะไรที่เราไม่ต้องใช้มันไม่ต้องเก็บเอาไว้ไม่ต้องสำมรองเอาไว้เอาไปทำทานเสียเพราะการทำทานจะทำให้เราเรียนจบชั้นที่หนึ่งได้ถ้าเรายังไม่ทำทานยังจบชั้นที่หนึ่งไม่ได้เราจะขึ้นชั้นที่สองไม่ได้ชั้นที่สองก็คือการรักษาศีลศีลนี้ก็แบ่งไว้เป็นสองชั้นด้วยกัน ศีลห้าและศีลแปดศีลห้า น, นี้เรียกว่าเป็นศีลของนักบุญส่วนศีลแปดนี้เรียกว่าเป็นศีลของนักบวชตอนต้นเราก็มารักษาศีลห้าก่อนการที่เราจะรักษาศีลห้าได้นั้นาจของเราต้องไม่มีความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง มากจนเกินความจําเป็นการที่เราจะไม่มีความโลภอยากได้ก็เกิดจากการที่เราทําทานเราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีมากเกินความจําเป็นไปพอเราสละไปแล้วเวลาเราจะหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองใหม่เราก็จะหามาไว้ใช้ในส่วนที่จําเป็น เราจะไม่มีความโลภอยากจะหาเงินทองมามากเกินความจําเป็นเมื่อเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องหาเงินทองมากการที่เราจะรักษาศีลก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ยากจนเกินไปแล้วถ้าเราเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นด้วยการแบ่งปัน ด้วยการทำทานใจของเราก็จะมีความเมตตากรุณาคือมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมีความสงสารผู้อื่นก็จะทำให้เราไม่อยากจะทำบาปการรักษาศีลก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายถ้าเราผ่านชั้นที่หนึ่งไปได้ก่อน คือเราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีมากเกินความจําเป็นไปไม่มีความหวงแหนไม่มีความตณ์หนีแล้วก็ไม่มีความโลภที่อยากจะได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากๆอยากจะมีเพียงแต่พอต่อการดํารงชีพไปวันๆหนึ่งก็อพอนี่คือเรื่องของ ทานเป็นอย่างนี้ให้เราสละสมบัติเข้าของเงินทองที่มีมากเกินความจำเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีพก็คือปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนึ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้าเรามีปัจจัยสี่พอเพียงต่อการดำรงชีพ ไม่เดือดร้อนเราก็ถือว่าเรามีสิ่งที่จาเป็นพอเพียงถ้าเรามีมากไปกว่า น, นั้นเราก็ไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้หรือถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ควรที่อยากจะไปมีมากไปกว่า น, นั้นเช่นอาหารถ้าเรามีพอเพียงแล้วก็พออยากไปอยากมีมากไปกว่า น, นั้น เ, เครื่องนุ่งหม่ม ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเอาเท่าที่จำเป็นมันจะทำให้เราตัดความโลภได้ตัดความอยากได้ทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองมากๆได้ตัดความอยากเร่มิมอยากรวยได้ถ้าเราตัดได้เราก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการไปหา ทรัสมบัติข้าวของเงินทองมากๆแล้วก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะรักษาสี่งได้เพราะเวลาเราอยากจะได้อะไรมากๆกถ้าการรักษาสิ่งเป็นอุปสรรคเราก็จะโยนทิ้งไปเราก็จะกําจัดเวลาเกิดความโลภแล้วความโลภนี้มันอยากจะได้เพียงอย่างเดียว อะไรถ้ามาเป็นอุปสรรคต่อความอยากได้มันก็จะทำลายไปถ้ารักษาสินไม่ได้มันก็ไม่รักษาถ้าให้เลือกระหว่างทรัพสมบัติเข้าของเงินทองกับการรักษาสินถ้ามีความโลภมันก็จะเลือกเอาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมันจะไม่เลือกการรักษาสินแต่ถ้าเรา ทำทานเราควบคุมความอยากของเราความโลภของเราให้อยู่กับความพอเพียงในปัจจัยสี่เราก็จะสามารถเลือกการรักษาสีลได้เวลาที่เราต้องเลือกระหว่างการเอาทรัพย์สมบัติเข้ากลองเงินทองหรือการรักษาสีลเช่นเราอาจจะมีโอกาส ทำเงินทำทองแต่การทำเงินทำทองได้เงินได้ทองมานี้อาจจะต้องมีความด่างพร้อยในทางศิตละธรรมเราก็จะไม่ทำนี่เกิดจากการที่เราทำทานเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่มีมากเกินความจำเป็น แล้วก็บังคับให้เราไม่ให้มีมากเกินความจำเป็นมันก็จะทำให้เราสามารถรักษาศีลได้อย่างง่ายดายีลห้าพอเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็จะมีกำลังที่จะรักษาศีลแปดได้เราก็จะก้าวขึ้นอีกขั้นหนึ่งในขั้นที่สองนี้ก็แบ่งไว้สองขั้น ขั้นศีลห้าและขั้นศีลแปดขั้นศีลแปนี้เราก็ลองทำไปก่อนพระพุทธเจ้าให้ลองทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเช่นในวันนี้เรียกว่าเป็นวันพระปกติผู้ที่ฝือศีลห้าเป็นปกติพอมาถึงวันพระก็จะมารักษาศีลแปดมาทดลองดูว่าจะรักษาได้หรือไม่ เพราะการที่จะก้าวขึ้นจากขั้นที่สองไปสู่ขั้นที่สามคือขั้นสมาธิได้นี้จำเป็นจะต้องรักษาศีแปดให้ได้ก่อนเพราะถ้ารักษาศีแปดไม่ได้การที่จะขึ้นไปเรียนชั้นที่สามคือชั้นสมาธินี้จะยากลำบากกว่าผู้ที่รักษาศีแปดได้ระหว่างผู้ที่รักษาศีห้ากับผู้ที่รักษาศีแป ผู้ที่รักษาสีแปดนี้จะสามารถาเรียนชั้นที่สามได้ง่ายกว่าผู้ที่รักษาศีห้าเพราะสีแปด น, นี้จะช่วยกําจัดอุปสรรคต่างๆที่คอยกีดขวางการเจริญสมาธินั่นเองสีห้าไม่สามารถกําจัดอุปสรรคได้อุปสรรคที่จะมาขัดขวางการเจริญสมาธิ ให้ได้ผลขึ้นมาคืออะไรก็คือการมชัชชะนทะคือความยินดีในการมาสุขเรียกว่ามิวรนมิวรแปลว่าอุปสรรคที่เิดขวางการเจริญสมาธิถ้าอยากจะเรียนชั้นที่สามและได้ผลเราจำเป็นที่จะต้องรักษาศีลแปดให้ได้ ดังนั้นเราจึงต้องก้าวจากศีลห้าก้าวจากการทําทานเข้าสู่ศีลแปดในเบื้องต้นเราก็ทําควบคู่กันไปได้เช่นในวันพระเราก็มาทําทานแล้วเราก็มารักษาศีลแปดกันวันธรรมดาเราก็รักษาศีลห้าแล้วก็ทําบุญใส่บาทําทานไปเป็นปกติ พอมาวันพระเราก็เพิ่มเป็นศีลแปดแล้วเราก็มาเจริญสมาธิวันธรรมดาเราก็เจริญสมาธิได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจ ะ, จะเจริญได้ยากกว่าเพราะว่าเราต้องมีภารกิจอย่างอื่นที่ต้องทำเราอาจจะทำได้ในช่วงเย็นตอนที่เราก่อนจะนอน เราก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิก่อนนอนพอตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนที่เราจะไปทาภารกิจ ต, ต่างๆแต่ในวันพระนี้เป็นวันเบรรจุของการทาภารกิจ ต, ต่างๆเป็นวันที่เราจะมาปฏิบัติสมาธิกันให้อย่างเข้มข้น เราจึงต้องรักษาศีลแต่ในวันพระกันเพื่อที่เราจะได้นั่งสมาธิได้มากๆไม่ใช่เฉพาะแต่ช่วงเวลาก่อนนอนนะช่วงเวลาที่หลังจากที่เราตื่นนอนขึ้นมาเราจะใช้วันพระทั้งวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันนั่งสมาธิ เป็นวันฟังเทศฟังธรรมเป็นวันศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่รักษ า, ษาสีลนแปดเราก็จะเสียเวลาไปกับการหาความสุขทางร่างกายเช่นเราก็ยังจะเสียเวลากับการหาอาหารรับประทานหลังจากเที่ยงวันแต่แล้วถ้าเรารักษาสี้นแปดได้เราก็ไม่ต้องมาเสียเวลา หลังจากเที่ยงวันไปแล้วเรื่องการหาอาหารมารับประทานก็จะหมดปัญหาไปก็จะทำให้เรามีเวลาว่างในการปฏิบัติในการนั่งสมาธิแล้วเรารักษาสิ่ข้อที่เจ็ดเพื่อที่เราจะได้ตัดาการเสียเวลากับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกิ่งกาย คือการหาความสุขจากมหัรสุขเครื่องบันเทิงต่างๆเช่นดูภาพยนตร์น้องลาทําเพลงหรือออกไปตามสถานบันเทิงต่างๆถ้าเราทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิกันเราก็จะไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ชั้นที่สามได้คือชั้นสมาธิ แต่ถ้าเราถือสิลแปลดได้เราก็จะกำจัดอุปสรรคหรือสิ่งที่จะดึงเอาเวลาอันมีค่าให้แก่การปฏิบัติไปได้ถ้าเราไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ออกไปตามสถานท่องเที่ยวต่างๆไม่ไปทำกิจกรรมงานเลี้ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดหรืองานแต่งงาน หรืองานอะไรก็ตามเราอยู่วัดได้เราไปวัดไปอยู่วัดได้หรือเราอยู่บ้านเราอยู่ที่บ้านปฏิบัติธรรมได้เพราะอำนาจของศีลแปดนี้เองที่จะช่วยกาจัดมารหรือผู้ที่จะมาดึงเอาเวลาอันมีค่าของการปฏิบัติไปเช่นเดียวกับศีลข้อที่สามและศีลข้อที่แปด สิลข้อที่สมก็คือการร่วมหลับนอนกับผู้คู่ครองของเราเราก็ต้องระ ง, งับไปถ้าเราร่วมหลับนอนเราก็จะหมดแรงอยากจะนอนไม่อยากที่จะมาลุกขึ้นมานั่งสมาธิแล้วถ้าเรานอนบนเปล่งบนผู้หนาๆนาที่มีความสุขความสบายเราก็จะนอนมากเกินไป มากเกินความต้องการของร่างกายปกติร่างกายนี้ถ้าได้นอนสักสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอเพียงต่อความต้องการแต่ถ้าไม่ถือศีลแปดเรามักจะนอนมากกว่านั้นเวลาร่างกายได้พักพอแล้วตื่นขึ้นมาแล้วแทนที่เราจะลุกขึ้นมาเราก็จะนอนต่อเพราะได้นอนบนเตียงนอนบนฟูกที่แสนสบายนั่นเอง เราก็ต้องถือศีลข้อที่แปดคือไม่นอนบนฟูกหนาๆนาไม่นอนบนเตียงใหญ่ๆนอนบนแค่นอนบนต่างที่เป็นพื้นแข็งนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายไม่ได้นอนเพื่อกามมัชทะนคือความสุขทางกามอารมณ์ถ้าเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะมีเวลา มานั่งสมาธิได้ตั้งแต่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วทีนี้เราจะมีเวลาว่างทั้งวันไปนจนถึงเวลาที่เราหลับประมาณสามหรือสี่ทุ่มจากเที่ยงวันไปถึงสามสี่ทุ่มนี่ก็เกือบสิบชั่วโมงเวลาเรารับประทานอาหารเสร็จมาช่วงกลางวันมัน แล้วถ้าเรานั่งเราก็อาจจะเกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนได้เพราะว่าเพิ่งรับประทานอาหารเสร็จมาใหม่ๆเราก็ไม่ควรที่จะนั่งสมาธิตอนนั้นเราควรที่จะเดินจงกรมแทนการเดินจงกรมกับ น, น, นั่งสมาธิก็ไม่ต่างกันในทางจิตใจเพราะงานในทางจิตใจนี้ทําเหมือนกันก็คือการจเจริญสติเพราะการที่เราจะทําใจให้สงบเป็นสมาธิได้ เราต้องมีสติก่อนถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้สงบสตินี้ก็เป็นเหมือนเชือกที่จะลากดวงจิตดวงใจของเราให้เข้าไปสู่ความสงบถ้าไม่มีสติจิตมันจะไม่ยอมเข้าไปเองเราต้องบังคับมัน เหมือนกับสัตว์ที่สัตว์เลี้ยงเวลาเราจะให้มันเข้ากรงนี้เราต้องบังคับมันถ้าปกติปล่อยเชิญมันนี่มันจะไม่เข้าไปบอกมันมันจะไม่เข้าไปนอกจากมันถูกสั่งสอนถูกอบรมมาแล้วมันก็จะเข้าได้โดยที่ไม่ต้องลากมันเข้าไปแต่ถ้ามันยังไม่เคยถูกอบรมถูกสั่งสอนนี้มันจะไม่ยอมเข้าไปชั้นใดจิตของเราก็เหมือนกัน ถ้ามันยังไม่ได้รับการอบรมได้รับการสั่งสอนมันจะไม่ยอมเข้าไปสู่ความสงบแต่ถ้าจิตมันได้รับการอบรมสั่งสอนดีแล้วมันจะเข้าไปเองถึงเวลาเราบอกให้มันเข้าไปมันก็จะเข้าไปแต่ในเบื้องต้นนี้มันจะไม่เข้าเพราะมันยังไม่เห็นคุณค่าของความสงบแต่ต่อไปหลังจากที่มันได้เข้าไปอยู่ในสมาธิได้เห็นความ สุขที่เกิดจากความสงบแล้วมันก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเกิดความยินดีขึ้นมาที่จะเข้าไปสู่ความสงบในเบื้องต้นเราจึงต้องใช้สติดึงมันเข้าไปถ้าเราไม่ดึงมันเข้าไปมันจะถูกกิเลส ต, ตันหาดันออกมาดันออกมาผ่านทางความคิดใช้ความคิดเป็นเครื่องมือเวลาเราคิดนี้ ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่มีสติมันจะคิดไปในทางกิเลสตัณหาคิดไปในทางความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานแต่เรามาถือศีลห้าถือศีลแปดความอยากเหล่านี้ถึงแม้จะมีก็จะไม่สามารถทำได้เพราะเราได้ตั้งจิตตั้งใจสมาทาน ไวแล้วว่าวันนี้จะไม่ทําตามความอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานจะดูจะฟังแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็คือดูหนังสือธรรมะฟังธรรมะเป็นต้นจะดื่มจะรับประทานก็ต้องดื่มตามเวลาดื่มตามความจำเป็นตามความต้องการของร่างกายจะจะไม่ดื่มจะไม่รับประทานตามความอยากของกิเลสตัณหา อันนี้เราจึงต้องคอยควบคุมความคิดเพราะความคิดนี้จะเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาสิ่งที่จะควบคุมความคิดได้ก็คือสตินี่เองเราจึงต้องมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆต้องมีกรรมฐานกรรมอกรรมฐานก็คือเครื่องผูกใจนี่เองอารมณ์ที่ใจสามารถยึดเดี่ยว ไว้เพื่อที่จะได้ไม่ถูกกระแสของกิเลสตังหาฉุดลากไปอารมณ์กรรมฐานนี้ในตำราท่านก็แสดงไว้อยู่สี่สิบชนิดด้วยกันแต่เราไม่จำเป็นจะต้องรู้หมดอยากจะรู้ก็ศึกษาได้แต่เวลาเราปฏิบัติจริงๆเราจะใช้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพียงอารมณ์เดียวเช่นถ้าเราใช้พุทธานุสติ เราก็ใช้การบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเราเลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าหรือเราจะสวดบทพระพุทธคุณไปก็ได้อิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอย่างนี้สวดไปเรื่อยๆตลอดเวลาในช่วงที่เราเดินจงกรม เงินจงกลมเราก็สวดอิติปิโสไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงหรือบริกรรมพุทธโธไปอย่างนี้เรียกว่าการใช้พุทธานุสติเป็นเครื่องควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงอาหารคิดถึงเครื่องดื่มคิดถึงละครคิดถึงอะไรต่างๆที่จะทำให้เราไม่สงบใจไม่สงบ ถ้าเราเกาะติดอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวใจจะค่อยสงบไปที่เราเล็กเธอน้อยถ้าเราไม่ใช้พุทโธเราจะใช้อย่างอื่นก็ได้เชน่นเราจะใช้ร่างกายนี้เป็นที่ผูกใจก็ได้เราก็ให้จดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาเช่นเวลาเดินจงกรมก็ให้ดูการ เคลื่อนไหวของเท้าเวลาก้าวเท้าซ้ายก็ให้รู้ว่าซ้ายเวลาก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าขวาให้รู้อยู่กับซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดินจงกรมไปจนกระทั่งหายง่วงหายแล้วก็เมื่อยก็อยากจะนั่งทีนี้ก็มานั่งสมาธิได้นั่งสมาธิเราก็จะละสติต่อไป เราอาจจะเปลี่ยนเป็นดูการดูลมหายใจแทนก็ได้ถ้าเราเหนื่อยกับการบริกรรมเราก็มาดูลมหายใจแทนถ้าเราดูร่างกายเวลาเรามานั่งเท้าเราไม่ได้ก้าวไปก้าวมาเราก็ต้องมาดูลมหายใจเหมือนกันเราก็จดจ่อเฝ้าดูลมหายใจอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งอย่าตามลมเข้าไปอย่าตามลมออกมา เพราะการตามลมเข้าออกนี้จะทำให้ใจต้องเคลื่อนไหวใจไม่นิ่งการที่เราต้องการให้ใจนิ่งเราต้องให้ใจอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งจุดเดียวเช่นที่ปลายจมูกหรือที่กลางอกเวลาลมเข้าไปเราจะรู้สึกว่ามีความสัมผัสรับรู้ได้ชัดเจนเวลาลมเข้าที่ปลายจมูกเราจะรู้ มกำลังสัมผัสที่ปลายจมูกเข้าไปเวลาลมออกมาเราก็จะรู้ว่ามีลมไหลออกมาหรือถ้าเราดูที่กลาง อ, อกเราก็จะรู้ว่าเวลาลมเข้าไปอกเราก็จะพองออกมาเวลาลมออกมาอกเราก็จะยุบเข้าไปอันนี้ได้ทั้งนั้นหาจุดใดจุดหนึ่งที่เราสามารถใช้เป็นที่ ผูกใจเอาไว้เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่จะทําให้เกิดกิเลสเกิดปัญหาเกิดความอยากเกิดการมั่นชันท้าขึ้นมาเพราะถ้าเกิดการมั่นชันทะขึ้นมาแล้วหยุดมันไม่ได้เราก็จะไม่สามารถนั่งสมาธิต่อไปได้เราก็จะต้องลุกขึ้นมาทําตามความอยากการนั่งสมาธิก็จะไม่ได้ผล ดังนั้นก่อนที่เราจะนั่งสมาธิให้ได้ผลเราจําเป็นจะต้องเจริญสติให้มากให้สติมีกําลังมากที่จะสามารถดึงใจให้เข้าไปสู่ข้างในให้ได้ถ้าใจถ้าสติไม่มีกําลังสู้กําลังของกิเลสตัณหาไม่ได้นั่งไปไม่นานก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะอยากจะลุกอยากจะไปดูอยากจะไปฟัง อยากจะไปดื่มอยากจะไปรับประทานอะไรต่างๆดังนั้นก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเราต้องเจริญสติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเอาตั้งแต่เวลาตื่นขึ้นมาเลยพอลุกขึ้นมาก็ตั้งสติเลยจะใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธไปเลยจะใช้การดูร่างกายก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าร่างกายจะไปทําอะไรก็ตาม เชนทอลรดขึ้นมาก็ต้องไปเข้าห้องน้ำไปขับไปถ่ายไปอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าล้างตาแปรงฟันใจก็ต้องเฝ้าดูการกระทําของร่างกายหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปควบคู่ไปกับการกระทําต่างๆอาบน้ำก็พุทโธไปแปรงฟันก็พุทโธไป อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราผูกใจไว้กับพุโทโธผูกใจไว้กับร่างกายใจก็จะไม่คิดปรุงแต่งใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายพอถึงเวลาที่เราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิใจก็จะไม่ลอยไปลอยมาไม่ไปคิดถึงเรื่องราวที่จะทำให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดการมะฉันทะขึ้นมา ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เราก็จะได้เข้าสู่ขั้นสมาธิอันนี้เป็นขั้นทดลองทำกันในวันพระทำกันอย่างจริงๆจังๆหลังจากเสี้ยงวันไปแล้วนี่ถือว่าเป็นเวลาว่างที่เราสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่จนถึงเวลาที่เรานอนประมาณสี่ห้าทุ่ม แล้วเราก็พักนอนประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงเดินขึ้นมาประมาณตีสามตีสี่แล้วก็นั่งสมาธิต่อจนถึงสว่างแล้วเราก็ออกจากการรักษาศีลแปดของวันพระกลับไปรักษาศีลห้ากลับไปทําภารกิจการงานต่างๆต่อไปแต่ถ้าวันไหนวันดีเกินดี การปฏิบัติสมาธิของเราได้ผลดีจิตรวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาลมสั์แต่ว่ารู้ได้พบกับความสุขอันมหัศจรรย์ที่ไม่เคยพบมาก่อนมันก็จะทำให้เกิดศรัทธาเกิดฉันทะวิริยะที่อยากจะรักษาสิ่งแปดให้มากขึ้นเราก็อาจจะเพิ่มจากอาทิตย์ด้นหนึ่งวันเป็นสองวันเป็นสามวัน แล้วเราก็ตัดภารกิจทางโลกไปให้เอาเวลามาปฏิบัติต่อแทนที่จะมีวันวันพระอาทิตย์ละหนึ่งวันก็กลายเป็นมีวันพระอาทิตย์ละสองวันหยุดงานให้เพิ่มมากขึ้นตัดรายได้ให้มันน้อยลงไปตัดการหาเงินหาทองให้มันน้อยลงไปด้วยการตัดรายจ่าย ถ้าเราปฏิบัติทำนั่งสมาธิได้เราจะไม่หิวโหวยกับสิ่งต่างๆที่เราหิวโหวยกันอยู่ตอนนี้เราหิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพระหิวโหวยกับของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีแต่เรามีเต็มบ้านเกินบ้านเกะกะไปหมดเพราะว่าเราไม่มีกำลังที่จะสู้กิเลสตัณหาแต่ถ้าเรา สามารถทำใจทำจิตให้สงบรวมเป็นสมาธิได้เราจะมีความอิ่มภายในใจเกิดขึ้นมาความหิวทางลาบทางรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะความหิวทางาลาบยศสรรเสริญความหิวกับของฟุ่มเฟือยต่างๆของหรูหรูหลาหลาต่างๆนี้มันจะอ่อนกำลังไป เพราะใจมันไม่หิวใจมันได้อาหารได้ความอิ่มได้ความพอจากการ <c oughs> ทำใจให้สงบเป็นสมาธินี่แล้วเราก็จะเห็นว่าเราไม่เห็นจะต้องหาเงินหาทองให้มากมายก่ายกองไม่ต้องหาของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆมาหามาได้เท่าไหร่ความสุขมันก็เท่าเดิมมันไม่ได้มากไปกว่าเดิมแต่กลับมีความทุกข์มากกว่าเดิมเพราะต้องหามากขึ้นไปอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าหามาได้เท่าไหร่แทนที่จะพอกับอยากจะได้มากขึ้นไปอีกนี่แหละคือสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นถ้าเราสามารถจเจริญสติแล้วทาใจให้สงบเป็นสมาธิได้ใจจะเริ่มเบื่อกับความสุขรูปแบบอื่นๆที่เราเคยแสวงหากันจะเบื่อกับความสุขจากการดื่มจากการรับประทานจากการดจูจากการฟัง จากการร่วมหลับนอนกับคนนั่นคนนี้ความสุขเหล่านี้เมื่อมันเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบของใจนี้มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลยพอได้ความสุขจากทางสมาธิแล้วทีนี้ก็อยากจะได้มากขึ้นอยากจะได้มากขึ้นก็ต้องทำวันพระให้มีเพิ่มมากขึ้นก็ต้องตัดวันทำงานทางโลกทางหาทรัพยาข้าวของเงินทองให้น้อยลงไป จากวันพระหนึ่งวันก็เป็นสองวันจากสองวันก็เป็นสามวันพอทําไปเรื่อยๆก็จะทําได้ทั้งเจ็ดวันพอทำเจ็ดวันแล้วเทนี้ก็ จ, จะสามารถกระทานให้หมดได้เลยทําทานได้หมดทําทานได้ร้อยเปอร์เซ็นตคือมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรยกให้คนอื่นไปได้หมดถ้าเป็นผู้ชายก็ออกบวชได้ ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งไว้สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆนอกจากว่าไปบวชในสำนักที่มีการดูแลไม่ต้องมีทรัพย์เหมือนกับพระก็ได้วัดบางวัดนี้แม่ชีก็อยู่แบบไม่ต้องมีทรัพย์เข้าของเงินทองอยู่กับวัดวัดดูแลให้ความสนับสนุน ก็จะไม่รู้จะเก็บทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไว้ทำไมเกะกะเป็นภาระเปล่าๆมันก็จะสละไปเองโดยปริยายถ้ารู้ว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้มันแล้วก็ไม่รู้จะเก็บมันไว้ทำไมแต่ถ้ายังจำเป็นจะต้องใช้ก็จะเก็บไว้เท่าที่สมควรที่จะเก็บแต่จะไม่หาเพิ่มอีกแล้วเพราะการหาเพิ่มนี้จะเป็นการเสียเวลา เป็นการเอาเวลาที่มีค่าต่อการทำใจให้สงบไปจะไม่สามารถทำใจให้สงบได้อย่างต่อเนื่องนี่ก็จะเป็นที่มาของการลาออกจากการงานยุติการทำภารกิจในด้านการหาทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองแล้วมาทำภารกิจในการหาความสงบทางใจ จากนักบุญก็จะมากลายเป็นนักบวชไปจากศีลห้าก็จะกลายเป็นศีลแปดจากการทำทานอย่างสม่าเสมอก็ทำกันทีเดียวให้มันหมดให้มันเสร็จไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลากับการทำทานอีกต่อไปเพราะการทำทานก็จะเป็นอุปสรรคได้ต่อการเจริญสติเจริญสมาธิได้ พอเวลาเจริญสติเจริญสมาธินี้จำเป็นจะต้องอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกอยู่ตามลำพังอยู่คนเดียวแต่ถ้ายังต้องมาทำทานอยู่มันก็ต้องออกมาพบปะกับผู้คนมันก็จะทำให้จิตฟุ้งซ่านขึ้นมาจิตมารับรู้เหตุการณ์ต่างๆแล้วก็มาคิดมาปรุงมาแต่งได้ดังนั้นผู้ที่ได้ก้าวขึ้นสู่ระดับของนักบวชแล้วจึงไม่ทาทานอีก คือถ้าจะทำก็ทำในรูปแบบที่ไม่ต้องมาเสียเวลาเช่นสมัยนี้เราก็สามารถทำกันด้วยการเขียนเช็คใบเดียว อ, อยู่ที่ในป่าก็เขียนได้กดโทรศัพท์มือถือไปก็ได้อจะอันนี้ง่ายไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาไปเข้าขบวนไปภาพป่ า, ป า, าไปกระถิ่น ผลมันก็ได้เท่ากันคือเสียเงินเท่าเดิมแต่ผลกลับได้น้อยกว่าผลกลับได้ความวุ่นวายก็ดได้ความฟุ้งซ่านแต่ถ้าอยู่ในปา่าเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จะได้ความสงบแต่ผู้ที่ทําหมดแล้วก็ไม่ต้องมีไม่ต้องกังวลถ้าเป็นนักบวชแล้วก็ตัดไปได้เรื่องเรื่องการทําทานเพราะเป็นบุญส่วนน้อยและเป็นบุญที่จะมากรีดขวางบุญส่วนใหญ่ คือบือนการเกิดจากการบําเพ็ญจิตตภาวนาการเดินจงกรมนั่งสมาธินี้ต้องต่อเนื่องต้องไม่แบบเข้าเข้าออกออกเข้าไปในป่าสองวันแล้วก็ออกมาในบ้านออกมาในบ้านในเมืองสองวันมันก็เดินเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างนั้นมันก็จะสงบไม่ได้อย่างเต็มที่เยนถ้าเข้าป่าไปแล้วปีกไวเวกแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ไปตลอดเลยอยู่ไปจนกว่าจะบรรลุเลย อยู่ไปจนกว่าจะขึ้นสู่ขั้นปัญญาขั้นที่สี่จากขั้นปัญญาขั้นที่สี่ก็ขั้นสู่ขั้นวิมุตรุดพ้นคือขั้นสำเร็จขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานพอถึงขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วทีนี้ก็ออกมาได้แล้วแต่ออกมาเพื่อภารกิจสั่งสอนผู้อื่นเท่านั้นพอเสร็จภารกิจก็กลับไปอยู่ป่าไม่ได้ออกมาอยู่แบบท้าวอนออกมาเฉพาะกิจ อย่างพระพุทธเจ้าเวลาออกมาโปรดสตรัตมหาโปรดอบรมสั่งสอนอผู้ที่มีความสนใจพระ อ, องก็ออกมาโปรดโปรดร็จก็กลับไปประทับอยู่ในป่าตามปกติส่วนใหญ่จะสั่งสอนอยู่ในป่าเสียส่วนใหญ่พระพุทธเจ้ามีภารกิจสั่งสอน อ, อยู่สามเวลาช่วงบ่ายก็สอนญาติโยมส่วนช่วงค่ำก็สอน พระสุสัมมาเน่ช่วงดึกก็สั่งสอนเทวดาก็อยู่ในป่าสั่งสอนเพราะเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวที่เหมาะต่อการสั่งสอนธรรมะถ้าไปสอนธรรมะในสถานที่อึกระทึกครุกโคนนี้ธรรมะมักจะไม่ออกมาออกมายากเพราะมันมีสิ่งที่คอยกันธรรมะให้ออกมา ธรรมะจะหลออกมาต่อเมื่อสถานที่อบรมนั้นเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกอย่างเวลาที่พวกเราฟังเทศน์ฟังธรรมกันพวกเราจึงต้องนั่งอยู่ในความสงบไม่ให้มีเสียงออกมารบกวนผู้แสดงและผู้ฟังเวลามีเสียงโทรศัพท์ขึ้นมาปั๊บนี่เหมือนวงแตกเลยเสียงธรรมที่ไหลออกมาก็ชะงักไปเลย นี่แหละธรรมะเป็นอย่างนี้กระแสรธรรมมันจะออกมาได้ก็ต่อเมื่อมีความสงบ ม, มีความสงับถ้ามีเสียงเออ ก, กระเทิร์คโกลนี่มันออกมายากเอามาก็ไม่เป็นธรรมะมันออกมาแบบบีบออกมาเหมือนบีบมะนาวบีบผ้าบีบน้ําให้ออกจากผ้าอย่างนั้นมันจะไม่ไหลออกมาของมันเองมันก็จะไม่เป็นธรรมชาตินะ ฟังดูลองสังเกตดูฟังเทศบนเขากต่ฟังเทศในสารานี้มันไม่เหมือนกันทั้งทั้งที่คนพูดก็คนเดียวกันแต่มันไม่เหมือนกันทำยังไงมันก็ไม่เหมือนเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกันนี่คือการเข้าสู่ขั้นของนักบวชพอเราเริ่มเป็นนักบวชเต็มตัวแล้วเราก็ต้องตัดเรื่องการทับทานไปศีลเราก็รักษา ตลอดเวลาเสีนของนักบวชเส้นแปดถ้าเป็นพระก็เส้นสอง้อยยี่สิบเจ็ดถ้าเป็นภิกษุณีก็สามร้อยกว่าสุดแท้แต่จะรักษาจะถือว่าตนเองเป็นอะไรถ้าอยากเป็นภิกษุณีก็ไปเปิดดูตำราว่ามีเส้นอยู่กี่ข้อก็รักษาไปก็เป็นภิกษุณีแล้วไม่ต้องให้ใครมาบวชให้เราก็ได้การบวชนี้มันเป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้นเอง เป็นการรับรองว่าสถานภาพว่าในกนณังกรณั ง, รงขอในแบบนี้ได้กลายจากคารวะมาเป็นภิกษุณีแล้วได้โกนศีรษะได้ห่มผ้าเลี้ยงแล้วได้ตั้งสัจจะว่าจะรักษาศีลสามร้อยกว่าข้อนี้แล้วกเท่านั้นเองเพื่อจะได้สะดวกกับการ เ, เลี้ยงชีพเพราะว่าคนเขาจะได้มีศรัทธาใส่บาตรให้สามารถ ถือบาทเข้าไปในหมู่บ้านไปโปรดสัตว์ได้แต่ถ้าไม่ได้บวชเป็นพิกฌิณีเป็นเป็นอุบาสกอุบาสิกาถือศีลแปดอย่างนี้จะถือบาทเข้าไปในบ้านก็ไม่มีใครเขาจะใส่ก็จะก็ต้องใส่บาทให้กับตัวเองก็ต้องเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งการเงินไว้ส่วนหนึ่งไว้สําหรับที่เราจะใช้กับค่าอาหารค่าใช้จ่ายที่จําเป็นมันก็เหมือนกัน นี่แทนที่เราจะรักษาศีลแต่ 8, เราอยากจะรักษาศีลของทิกษุนี้แล้วก็รักษาได้เราอยากจะรักษาศีลของพระเราก็รักษาได้ก็ไปอ่านดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อย่าไปละเมิดมันก็ถือว่าเรารักษาได้แนละ้วอย่างที่เรานั่งเฉยๆตอนนี้เราก็มีศีลอยู่ครบบริบนะูรณ์แล้วจะมีกี่ร้อยข้อก็เราก็รักษาได้เพราะเราไม่เลยไปทําอะไรมันผิดดงนั้นศีลเราก็รักษาไป แล้วเราก็หาสถานที่สงบสงัดวิเวกปิกวิเวกเพราะการเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาคือการเจริญสมาธิปัญญานี้ต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลาจากแสงสีเสียงที่จะมาคอยยั่วยวนกวนใจให้ฟุ้งซ่านขึ้นมาเราก็ต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามลาพัง ถ้าอยู่ในสารที่ร่วมกันหลายคนก็จะไม่คุกคลีกันจะมาเวลามาทําภารกิจร่วมกันก็จะไม่สนทนากันต่างคนต่างมีสติต่างคนต่างจะเลยสติของตนไปเหมือนกับตอนที่อยู่ในทางจงกลมออกมาทําภารกิจมากราดถูกร้านวัดมาล้างถ้วยล้างชามาทํากับข้าวกับปลาก็ทําทไปมีสติอยู่การทําไปไม่ใช่มาจ้อกันมาคุยกัน คุไปคุยมาเดี๋ยวก็มาทะเลาะกัน เ, เกิดเป็นอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าต่างคนต่างมีสติเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายการกระทาของร่างกายใจก็จะสงบใจก็จะเย็นใจก็จะเป็นปัจจุบันอพอเสร็จภารกิจก็กลับไปที่พักไปปฏิบัติต่อไปนั่งสมาธิเจิตก็จะรวมเข้าสู่ควาสมสงบ พอเราได้ขั้นสมาธิแล้วเราก็พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นที่สีคือขั้นปัญญาเพราะว่าขั้นสมาธินี้ยังไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้คาว่าบรรลุมรรคผลนิพพานก็คือการทำลายปัญหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้สมาธินี้ไม่มีกำลังที่จะทำลายได้อย่างถาวรทำได้เพียงแต่หยุดไว้ชั่วคราว เช่นเวลาจิตเข้าสู่ความสงบนี้ความอยากต่างๆจะหายไปหมดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรมะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่มันจะหายไปหมดเหมือนกับมันไม่มีเหมือนกับได้บรรลุพันธนิพานแล้วแต่มันเป็นนิพพานชั่วคราวพอออกจากสมาธิมา กิเลสตัณหาที่ถูกกำลังของสมาธิกดไว้ก็จะค่อยๆพื้นขึ้นมาเพราะกำลังของสมาธิก็จะค่อยๆคลายออกไปถ้าอยากจะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปก็ต้องใช้ปัญญาแนละ้วนี่ถึงเรียกว่าเข้าสู่ขั้นปัญญาปัญญามีหน้าที่ทำอะไรก็ถอนรากถอนโคนของตัณหาตัณหามันก็มีพ่อมีแม่ เหมือนกับโลกเรามีพ่อมีแม่เหมือนกับต้นไม้ที่มีรากถ้าเราไปตัดกิ่งตัดก้านตัดต้นนี้ต้นไม้ยังไม่ตายเพราะยังมีรากอยู่ทิ้งเอาไว้เดี๋ยวมันก็งอกเงยขึ้นมาได้ใหม่ได้การตัดกิ่งตัดก้านก็เหมือนกับการรักษาศีลเหมือนกับการนั่งสมาธิแต่มันไม่ทำให้กิเลสตายปัญหาตายไม่ทาให้ต้นไม้ตาย ถ้าเราอยากจะให้ต้นไม้ตายเราต้องทำยังไงเราต้องถอนมันออกจากดินเถอนรากถอนโคนมันขึ้นมาพอเมลากมันไม่อยู่ในดินแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเจริญงอกงามต่อไปได้ร่างงาของตัณหาก็คือความหลงโมหะอาวิชชานี่เองคือความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ใจไปหลงอยากจะได้ความอยากนี้เกิดจากความไม่รู้ว่า สิ่งที่อยากได้นี้มันเป็นพิษเป็นภัยเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขแต่ความหลงมันหลอกให้คิดว่าเป็นสุขเช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณฑนี่คิดว่าได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานแล้วจะมีความสุขเพอเกิดความอยากแล้วก็ต้องทำตามความอยากเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าไม่ทำแล้วมันเครียดมันหงุดหงิดมันไม่สบายใจ พอมันทำาล้งมันโล่งไปชั่วระยะหนึ่งมันก็คิดว่าอ๋อการทำตามความอย่างนี้เป็นวิธีทำความสุขให้เกิดขึ้นแตนะ่ความจริงแล้วมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกเพราะว่ามันดับไปชั่วคราวความไม่สบายอกไม่สบายใจควา ม, มหงุดหงิดลำคาญใจนี้มันหายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับคืนมาใหม่ถ้าอยากจะให้มันหายไปอย่างถาวร ก็ต้องไม่ทำตามความอยากด้วยการใช้ปัญญาสอนใจว่าการทำตามความอยากนี้เป็นเหมือนกับการสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับตนเพราะมันจะไม่มีวันหมดเวลาเกิดความอยากขึ้นมาทีไรมันก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีและสิ่งที่เราอยากได้มันก็ไม่สามารถดับความอยากได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้มีสิ่งเดียวที่จะทาให้มัน ดับมนันได้ก็คือการไม่ทำตามความอยากการที่จะไม่ทำตามความอยากนี้ก็ต้องมีกำลังใจมีอุเบกขามีสมาธิมีความสงบเราจึงต้องมีสมาธิก่อนพอเรามีสมาธิมีอุเบกขาแนละ้วเราก็ต้องมีปัญญาเป็นผู้มาคอยสอนใจบอกใจว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขแต่เป็นการสร้างความทุกข์ ไม่ได้เป็นการดับทุกข์อย่างถาวรจริงอยู่เวลาเกิดความอยากนี่ใจมันหงุดหงิดอยากจะดื่มกาแฟนี่มันเป็นยังไงอยากจะสูบบุหรี่มันเป็นยังไงอยากจะดื่มสุราอยากจะดูละครอยากจะร่วมหลับนอนกับใครนี้ความรู้สึกมันเป็นยังไงมันสุขหรือมันทุกข์พอไปทำปั๊บความรู้สึกนี้มันก็หายไปมันก็เลยคิดว่าเป็นความสุขแต่มันเป็นความสุขชั่วคราว เพราะว่าความอยากมันไม่หายไปเดียวมันก็กลับคืนขึ้นมาใหม่คนสูบบุหรี่สูบวนเดียวได้หรือไม่สูบมันไปสูบไปจนวันตายสูบไปจนกว่าจะสูบไม่ได้คนดื่มโซลาก็ต้องดื่มไปจนกว่ามันจะดื่มไม่ได้ถ้าไม่หยุดความอยากเสแล้วมันก็จะหยุดไม่ได้นี่คือปัญญาที่เราจะต้องเอามาใช้สอนใจ ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงมันเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราในอนาคตเราได้ความสุขในวันนี้แต่พวกนี้มันจะสร้างความทุกข์ให้กับเราเวลาเกิดความอยากแล้วยิ่งถ้าไม่ได้ทมใจทาตามที่เราอยากได้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่แต่ถ้าเรามีสมาธินี้เราสู้กับความอยากได้ เพราะเรามีความอิ่มมีความพอพอบอกว่าไม่เอามันก็ไม่เอาได้อย่างง่ายได้เพราะมันมีอยู่มันมีความสุขอยู่แล้วในตัวของมันเองมันพออยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่รู้ทั้นนั้นมันหลงคิดว่าอ่ไปทำตามความอยากเราจะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นมันไม่ได้มากขึ้นแต่แทนที่จะได้ความสุขมากขึ้นมันได้ความทุกข์มากขึ้นมันจะสูญเสียความอิ่มใจหายไปนี่คือการใช้ปัญญา ที่จะเอามาใช้ตัดความอยากต่างๆที่ให้หมดไปจากใจความอยากมันก็มีสี่ระดับด้วยกันความอยากของพระโสดาบันก็ระดับหนึ่งความอยากของพระสกิดาคามีก็ระดับหนึ่งความอยากของพระอนาคามีก็ระดับหนึ่งความอยากของพระอรหันต์ก็อีกระดับหนึ่งก็ต้องตัดมันไปตามขั้นตอนของมันไปขั้นตอนก็ตัดความอยากของตัดความอยากเพื่อจะได้เป็นพระโสดาบัน ความอยากเพื่อจะได้เป็นพระสกิรดาคามีเพื่อได้เป็นพระอนาคามีได้เป็นพระอารานมันก็ใช้หลักนี้หลักเดียวกันวิธีเดียวกันแต่ตัวอยากนี้คนละตัวกันเท่านั้นเองใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเวลาเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าต้องไปห้ามมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้อ ย, อย่างไร อยากไปก็ป่วยการเปล่ า, ลาอยากไปก็ไม่สามารถยับยั้งมันได้ต้องปล่อยวางหยุดความอยากแล้วก็จะไม่ทุกข์พอไม่ทุกข์ก็จะเป็นพระสสดาบานได้ยามรับว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกายนี้มีการเกิดก็ต้องมีการตายไปเป็นธรรมดาความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกาย ยอมรับความเจ็บไายได้ป่วยยอมรับความตายได้ก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายนี่ก็เป็นเรื่องตัดความอยากขั้นของพระสวามันความอยากของพระกิรากามีก็คือความอยากร่วมหลับนอนกับผู้อื่นนั่นเองอยากในการมณมก็ตัดมันไปแต่ตัดไม่หมดตัดได้ประมาณครึ่งหนึ่งก็เรียกว่าได้บรรลุเป็นขั้นกิราคามี หรืเมื่อก่อนนี้อยากวับต้องเอาทันทีแต่พอใช้ปัญญาจเจริณาสุภะเวลาใดที่อสุภาษะมันทันเวลานั้นก็ดับความอยากได้มันก็แต่บางเวลาไม่ทันมันก็ดับไม่ได้มันก็ต้องไปทําตามความอยากอย่างนี้เรียกว่าขั้นสกิดาคามีทําให้ความอยากเบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดเพราะว่ายังไม่สามารถจเจริณาสุภาษะได้อย่างตลอดเวลาทุกครั้งที่ เกิดความอยากในการอารมณ์ขึ้นมายังไม่สามารถดับได้ทุกครั้งไปดับได้บางครั้งบางเวลาแต่ถ้าสามารถเจริญอสุภพะได้อย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็สามารถดับมันได้อันนี้ก็จะเป็นพระอนาคามีล้วขันของพระอาหารหันต์ก็ดับอัตตาตัวตนการถือเนื้อถือตัวถ้ายัางถือเนื้อถือตัวถือว่าเรา ดีกว่าเขาเก่งกว่าเขารวยกว่าเขาเราก็ยังจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือเห็นคนที่เขาดีกว่าเราเก่งกว่าเราเราก็เกิดความอยากที่จะเก่งกว่าเขาดีกว่าเขาเราก็ยังต้องดิน้นรนต่อไปยังต้องทุก์กับความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะใหญ่กว่าผู้อื่นอยากจะเด่นกว่าผู้อื่นอันนี้ก็ต้องตัดมันไปตัดความอยากเป็นเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นใหญ่เป็นโต เอาเป็นผู้รู้้อพอเพราะใจที่แท้จริงนี้คือผู้รู้ถ้าเป็นผู้อยากแล้วก็ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นธรรมชาติเป็นกิเลสอันนี้ปฏิบัติไปมันก็จะเห็นโทษของความอยากเป็นเองแล้วมันก็จะต้องตัดมันไปในที่สุดพอไม่มีความอยากแล้วก็จะสบายจะเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นอะไรก็ได้ไม่เดือดร้อน ใครจะรวยกว่าใครจะเก่งกว่าก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่คือขั้นของปัญญาที่จะทำลายความอยากทั้งสามให้หมดไปคือการมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาพอหมดตัณหาทั้งสามแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นวิพานขึ้นมาไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิอดอีกต่อไป นี่คือผลงานที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามีความศรัทธามีความเชื่อในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับที่เราเชื่อในสถาบันการศึกษาต่างๆที่เราส่งลูกเราไปเรียนเพราะเราหวังว่าลูกเราเรียนจบมาแล้วจะได้มีชีวิตที่ดี ได้เป็นเศรษฐีบ้างได้เป็นผู้ใหญ่บ้างได้เป็นผู้ที่มีหน้ามีตามีเกียรติยศบ้างเพราะได้รับการศึกษาอบรมที่ดีนั่นเองจากสถาบันที่ดีฉันใดพวกเราก็มองพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่จะผลิตพวกเราให้ได้เป็นพระอริยบุคคลกันให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันเกิดที่ศรัทธานี้เอง ศรัทธาที่เกิดก็เพราะว่าเราได้มาสัมผัสมารับรู้กับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาสัมผัสรับรู้กับประวัติของพระพุทธเจ้าอันดีงามประวัติของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ดีงามทำให้เราเกิดศรัทธาอยากจะเป็นเหมือนท่านพอเราเกิดศรัทธาแล้วเราก็จะขวนขวายศึกษารีบเร่งปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติขึ้นไปเรื่อยๆจากขั้นต่ำไปจนถึงขั้นสูงไปตามลำดับจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดนะจึงขอฝากให้ท่านจงมีความแน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะจะทำให้พวกเราได้รับผลอันเลิศอันประเสริฐ คือการบรรลุมรรคผลนิพานภายในชาตินี้ได้อย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พ่อนยะถ า, าวาริวาหาปุราปราปริเรมติสาขังเอวเมวาิตุทินางเปตานาอุ ป, ปกาปฏิ อิิตังปฏตถิตังตุลหังคิดเปเมวะสมิจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนาระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวรรณตารโยสุขีทีกายุโกภวะ อาพิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารธรร ม, มาวาทานติอายุวโนโสุขังภาลางต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหา ถ้าใครมีปัญหาอยากจะถามก็ขอใหพพ้ถามผ่านไมโครโฟนได้ถ้าไม่มีอ่ามีอ่าอ่าขึ้นมาขอรับเอครับาี่เปิดไมค์เลยครับเปิดไมค์ะอาจารย์คะมีคำถามที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องทางธรรมแล้วก็ทางโลกนิดหน่อยอะค่ะว่าเราจะสามารถสร้างความสมดุลกับการปฏิบัติแล้วก็ ชีวทางโลกอย่างไรอะค่ะอย่างเช่นตัวอย่างว่าในชีวิตประจําวันเนี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามีภาระหน้าที่หลายๆอย่างในหลายๆบทบาทนะคะที่ที่คนคนหนึ่งอย่างตั ว, ต, วตัวหนูเนี่ยทำอยู่เป็นแม่เป็นแม่ของลูกเป็นภรรยาเป็นลูกสาวต้องทํางานมีภาระ ห, ะหลายๆด้านอย่างนี้ค่ะเราจะสามารถสร้างความสมดุลโดยใช้ธรรมะเข้ามาในขณะที่อยากจะ เ, เจเริญภาวนารักษาศีล ส, สมาธิปัญญาไปด้วยอย่างนี้ค่ะเราจะสามารถมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการยังไงที่จะช่วยให้ทําให้ดีขึ้นได้เนาะเราก็ต้องแยกแย่าดูว่ามีอะไรที่เราต้องทําละมีอะไรที่เราไม่ต้องทําและมีอะไรที่เราอยากทํามันก็มีอยู่สามอย่างสิ่งที่เราต้องทําเราก็ต้องทํา เป็นหน้าที่การดูแลรักษาร่างกายของเราดูแลรักษาสามีรักษาลูกของเราอันนี้หน้าที่ที่เราปฏิเสธไม่ได้เราต้องทำเราก็ต้องยอมรับสภาพของเราไปเพียงแต่ว่าจะทำมากขนาดไหนอันนี้ก็มีปริมาณที่เราสามารถที่จะจัดการได้จะดูแลแบบแบบระดับห้าดาวหรือสี่ดาว หรือสามดาวสองดาวหรือหนึ่งดา ว, ดาวมันก็จะกินเวลาไม่เท่ากันอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําถ้าเราอยากจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นที่เราอยากจะทำํำเราก็ต้องอย่าเสียเวลากับสิ่งที่เราต้องทํามากจนเกินไปทําเท่าที่พอจะอยู่ได้คือทําแบบมากน้อยสันโดษเราก็จะได้มีเวลา มาทำในสิ่งที่เราอยากทำหรือเราควรทำคอสิ่งที่เราอยากทำนี้บางทีถ้าเราพิจารณาว่าทำไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์จริงๆมันเป็นโทษมากกว่าเป็นเป็นประโยชน์เราก็ตัดมันไปเช่นเราอยากเที่ยวอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยากหาทรัพย์สมบัติอะไรของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆเหล่ า, านี้ ถ้าเราคิดว่ามันไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงเราก็พยายามตัดส่วนนี้ไปเพื่อเราจะได้มีเวลามาทำในส่วนที่เราควรจะทำส่วนที่ควรจะทำก็คือเลยเกี่ยวกับจิตใจของเราก็คือทาตามที่พู้เจ้าทรงสอนให้ทำทาทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิเจริญปัญญา ถ้าเราไม่ตัดเอาเวลาจากการกระทําอย่างอื่นไปมาเราก็จะไม่มีเวลาที่เราจะมาทําทานมารักษาศีลมาภาวนาได้นี่คือวิธีจัดการกับชีวิตของเรากับเวลาของเราเพราะพวกเราทุกคนมีเวลาเท่ากันหมด24ชั่วโมงเท่ากันหมดเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าเราจะให้น้ําหนักกับส่วนไหนของชีวิตเรา แต่เราไม่ให้น้ำหนักกับการดูแลความในสิ่งที่เราต้องการดูแลแต่ดูแลแบบเกินเกินความจําเป็นมันก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทําในสิ่งที่เราควรทําหรือถ้าเราเอาเวลาไปทําตามความอยากมันก็จะไม่มีเวลาแล้วเราก็ต้องรู้จัก แยกแด้เอาเองว่าเราจะให้น้ำหนักกับส่วนไหนเหมือนกับเรามีน้ำสามตุ่มเนี่ยเรามีตุ่มสามใบเราจะตัดน้ำใส่ตุ่มไหนตุ่มสองใบมันรั่วนะแต่มีตุ่มอีกใบมันไม่รั่วเราจะเลือกใส่ตุ่มไหนดีตุ่มรั่วก็คือเนี่ยสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพราะว่าทำใบนานที่สุดมันก็ตายไหมดไม่ว่าตัวเราไม่ว่าสามีเราลูกเรา ทำไปมันก็ตายกันไปหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ก็เหมือนเทน้ําไปในตุ่มที่มันรั่วเดี๋ยวน้ํามันก็ไหลออกไปหมดไม่มีอะไรเก็บค้างติดไว้เลยตุ่มที่สองมันก็เหมือนตุ่มรั่วเหมือนกันก็คือการทําตามความอยากต่างๆอยากหาความสุขท า, าทางด้านนู้นทางด้านนี้ทําไปทําไปก็ได้ความสุขพอผ่านไปแล้วมันก็หมดไปอ้างว้างเปล่าเปลี่ยเหมือนตุ่มรั่วเหมือนกับ เติมน้าก็ไปเต็มเดี๋ยวเดียวมันก็พองนี่คือตุ่มสองตุ่มแล้วตุ่มที่สามนี้ตอนไปเท่าไหร่มันจะไม่หมดมันมีจะเต็มขึ้นมาเรื่อยๆเต็มขึ้นมาเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะเต็มเปลี่ยมตลอดเวลาอันเนี้เราจะควรใช้เวลาให้กับตุ่มไหนดีควรจะเติมน้ําในตุ่มไหนดีพระพุทธเจ้าท่านทรงเลืเติมน้าในตุ่มที่สามเนี่ยด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีล ด้วยการปฏิบัติธรรมจตในที่สุดตุ่มน้ำของท่านก็เต็มเปลี่ยมตลอดเวลาที่เรียกว่าป a ม a m a สุขถังใจของท่านเต็มไปด้วยความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันพร่องไม่มีวันหมดแต่ความสุขทางทางอีกสองทางนั้นมันหมดทำมาเท่าไหร่เดียวมันก็หมดดังนั้นเราต้องเป็นคนให้น้ำหนักเราต้องเป็นคนพิจารณาเองว่าเราจะเลือกเอาทางไหน แล้วเรามีกำลังที่จะทําตามที่เราเลือกได้หรือไม่ก็ต้องดูด้วยพอจะเข้าใจนะัหมมีใครอยากจะถามอมีกไหมไม่มีก็จะให้คุณต่อถทามทางของทางบ้านครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง f a c e b o ๊ k พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตและกลุ่มธรรมะบนเขานะครับ ถามโดยคุณอัญชนานะครับช่วงนี้หนูอารมณ์แปรปวนมากๆรู้ตัวคิดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเมื่อมันเป็นแบบนี้ก็เลยไม่ทำอะไรเลยนั่งนอนดูแต่ลมหายใจเข้าออกพุทโธบ้างเหมือนคนขี้เกียจหนูปวดหัวเขา่าเลยนั่งบนโซฟาบ้างเก้าอี้บ้างนอนบ้างอย่างนี้ได้ไหมแล้วหนูจะอุทิศบุญยังไงคะ เพราะไม่ได้ทำครั้งละนานๆหนูขอรับคําสอนจากพระอาจารย์คือถ้าเรามีการเจริญสติอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำะายทางทางโลกทางร่างกายก็ไม่ถือว่าเป็นความเกียจคร้านการเจริญสตินี้เราถือว่าเป็นการทำความเพียรเป็นคาเป็นการกระทำความเพียรที่แท้จริงเพราะจะทาให้เกิดประโยชน์สุขที่แท้จริงกับจิตใจของเรา เวลาเราเจเริญนสตินี้เราจะควบคุมความคิดจะทำให้ใจของเราสงบหายฟุ้งซ่านได้ทำให้เรามีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปหาอะไรไม่ต้องมีอะไรแต่บุญกุศลที่เราได้รับจากการจเจริญสติได้ความสงบนี้เป็นมันเป็ น, เ ป, นเป็นบุญระดับสูงที่เราไม่สามารถอุทิศให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้ ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนแบงค์ใบละพันเวลาเราจะให้เงินขอทานเราคงไม่เอาแบงค์ใบละพันใส่ไปในขันอย่างมากแล้วก็เอาอแบงค์ยี่สิบหรือเหรียญเหรียญห้าเหรียญสิบใส่ไปอันนั้นเป็นบุญที่เกิดจากการทําทานแต่ถ้าเราไม่สามารถอุทิศได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเหมือนกับที่เราไม่ได้ให้เงินขอทานก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร ดังนั้นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของการอุทิศบุญถ้าเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่เราจะทำและอุทิศได้แต่ขอให้เราให้ความสำคัญกับการเจริญบุญขั้นสูงดีกว่าถ้าเราสามารถทำได้เพราะเราจะได้บุญเป็นกอบเป็นกรได้ได้ทีแบงค์ใบละพันดีกว่าได้แบงค์ใบละยี่สิบถ้าได้แบงค์ใบละยี่สิบนี้ต้องได้สักกี่ใบถึงจะได้หนึ่งพันนะครับ แต่ถ้าได้ใบละพันนี้มันจะได้เป็นกรอบเป็นกมขึ้นมาถ้าเราสามารถจเจริญสติคอยควบคุมใจให้สงบได้เราก็จะได้สมาธิแล้วพอเราได้สมาธิเราก็จะสามารถจเจริญปัญญาได้เห็นสัตรธรรมความจริงของชีวิตได้ว่าความทุกข์มันเกิดจากความอยากของเราเองเราก็จะฝืนเราก็จะตัดความอยากได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ คำถามข้อตอคำถามข้อต่อไปจากคุณกำมวลชนกนะครับกราบขอคำแก้ข้อข้องใจเนื่องจากในนี้เป็นช่วงกลับมาภาวนาหลังจากถดถอยไปแล้วเกิดการฝันเกือบทุกคืนแต่ตื่นมาก็ไม่เหนื่อยไม่เพียเรื่องที่ฝันบางครั้งก็เป็นเหมือนการแก้ปัญหางานบางครั้งก็ไม่มีสาระและมักฝันก่อนตื่นนอน คุยกับเพื่อนที่ภาวนาเขาก็บอกว่าสติอ่อนมากไม่มีสมาธิเลยฝันโยมก็เลยสงสัยว่าก่อนหน้าที่ไม่เคยภาวนาทำไมไม่ฝันเลยก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดนั่นเองความฝันไม่ฝันนี่มันไม่ได้เึ้นอยู่กับว่ามีสมาธิมากสมาธิน้อยหลวงตาท่านยังเล่าว่าท่านยังฝันเลย เะนั้นเรื่องของความฝันมันไม่ได้เกี่ยวกับการมีสมาธิมากหรือสมาธิน้อยแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของความฝันเพราะความฝันมันไม่ได้เป็นความจรงิงเช่นเราฝันว่าเราเป็นเศรษฐีเราตื่นขึ้นมาเราก็ยังไม่ได้เป็นเศรษฐีอยู่ฝันว่าเราบารรลุเป็นพระอรหันต์ตื่นขึ้นมาเราก็ยังเป็นกิลเป็นปุถุชนธรรมดาอยู่ดังนั้นเราต้องยืนอยู่บนความจรงิงความฝันนี้ก็เราก็ใช้ปัญญาแยกแยะว่า ความฝันนันใดทําให้เกิดทําให้เราฉลาดขึ้นความฝันนั้นเราก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เช่นฝันเห็นซากศพเห็นตัวเรานอนตายอยู่อย่างนี้อันนี้มันเป็นปัญญาถ้าเราเห็นแล้วเราติดตาติดใจอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าต่อไปร่างกายเราจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะทําให้เราโปร่งได้ทําให้เราตัดตันหาความอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ ตอนนี้เราลืมตายกันเราเลยคิดว่าเรามีภาระมีหน้าที่จะต้องดูแลคนนั้นดูแลคนนี้แต่เราลืมไปก็เกิดวันนี้เราตายไปแล้วใครจะดูแลเขาเราไม่เคยถามคําถามนี้เลยแต่พอเรานอนหลับฝันเห็นเรานอนตายนี่มันอาจจะทําให้เราเอาเกิดความฉุกคิดขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาเฮ้ยเราจะไปห่วงไปกังวลกับใครก็มากมายจนเกินไปทําไมในที่สุดเขาก็ต้องตายเราก็ต้องตาย มันก็จะทำให้เราสามารถตรงหรือปล่อยวางสิ่งที่เราไปกังวลไปรักไ ป, ไปหวงไปห่วงได้แล้วเราจะได้มีเวลามาทำสิ่งที่เราควรจะกระทำให้มากขึ้นได้นั่นนี่คือประโยชน์ของความฝันถ้าฝันแล้วมันทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาก็เอามาเจริญต่อถ้าฝันแล้วไม่มีอะไรทางปัญญาเลยไม่มีผลทางปัญญาเลยก็ปล่อยมันไปลืมมันไป หมดแล้วครับอาจารย์่าหมดแล้วเลยอ่ามีหรือเปล่าอ่ามีนข้างหลังนีกรรมนมาสการพระอาจารย์ค่ะ เคาะที่เราได้รับธําจากพระอาจารย์คืออยากให้ให้ฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็พยายามตื่นขึ้นมาก็นึกคาบริการพุโทโธอาบน้ำก็พยายามอยู่กับตรงนั้นนะคะแต่พอไปถึงที่ทํางานพอเราเริ่มคุยกับคนเริ่มติดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันแทบจะหายไปเลยมันจะโผลมาช่วงกลางวันอีกนิดนึงแล้วก็หายไปจนกระทั้งถึงเย็นอันไมไ่ได้อยากจะกราบเรียนท่านนะคะว่ามีแนวทางไหมคะที่จะทําให้เราสามารถเจริญสติได้ได้ดีขึ้นกว่านี้นะคะ่ะก็ต้องแ ออกจากงานเนี่ยต่อไปก็ต้องออกเองเพราะมันเห็นโทษของการทำงานมันเห็นว่าผลที่ได้รับกับผลที่เสียนี่มันไม่คุ้มค่ากันได้เงินทองมาแต่เสียสติมันไม่คุ้มค่ากันสู้เอาสติดีกว่าเงินทองนี่ดับความทุกข์ใจไม่ได้แต่สตินี้ดับความทุกข์ใจได้สร้างความสุขใจขึ้นมาได้ต่อไปก็จะต้องตัดสินใจออกจากงานเองหรือไม่งั้นก็ต้องทางานให้น้อยลงไป ให้มีเวลาเปรีกวิเวกให้อยู่ตามลำพังได้มากขึ้นไปเองเพราะถ้าปฏิบัติเห็นผลแล้วมันจะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติมากกว่าสิ่งันใดทั้งหลายในโลกนี้อย่างนั้นขุดไปถูกทางแล้วทําต่อไ ป, ะปะคคะับรุณเวลาทา ง, งานก็พยายามประคับประคองสติให้ได้เท่าที่จะทําได้ถ้าไม่ได้ก็ก็ต้องยอมรับสภาพเหมือนกับขับรถบนทางด่วนกับขับรถบนที่ใต้ทางด่วนมันจะให้ไปได้เร็วเท่ากันไม่ได้ค ถ้าขึ้นทางโดวนนี้มันไม่มีสีแยกไฟแดงไม่มีรถวิ่งตัดกันมันก็ไปได้เร็วแต่ถ้าอยู่ทั้งข้างล่างทางโดวนมันมีสีแยกไฟแดงมีรถวิ่งตัดไปตัดมามันก็ไม่สามารถวิ่งไปได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เหมือนการการเจริญสติระว่างตริกวิเวกับการเจริญสติกับการอยู่ที่ทำงานนี้มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนะ่ะขอบพระคุณค่ะ และล่าสุดตอนนี้ก็มีผู้ที่เพิ่งลาออกจากงานมาทั้งๆที่เป็นงานที่มั่นคงและเงินเดือนสูงนะครับตอนนี้ก็มาภาวนาเต็มปปลูกแบบแล้ น, นะครับก็มีหลายคนเนี่ยตั้งแต่มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันนี้ก็พลิกผันชีวิตไปจากการหาเงินหาทองหาทรัพย์ภายนอกกลับมาสู่การหาทรัพย์ภายในหาอาริยทรัพย์หาความสุขภายในใจ กาที่จะหาความสุขทางร่างกายทางรูปเสียงกลิ่นรสก็ตัดไปเพราะเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขประเดียวระเดาต้องคอยหาอยู่เรื่อยเวลาไห น, นไม่สามารถหาได้เวลานั้นก็จะเดือดร้อนแต่รับภายในนี้หาแล้วมันจะไม่หายมันจะอยู่ติดกับเราไป เราจะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราไม่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือเราไม่มีเงินทองเราไม่มีร่างกายหรือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังมีความสุขได้ถามมาไม่ทราบว่าการบริโภคเนื้อสัตว์นี่มันเป็นบาปไหมครับเพราะว่าเพราะว่าแม้เราจะไม่ได้ฆ่าสัตว์นั้นโดยตรงแต่เราก็เหมือนกับจ้างวันฆ่าอะไรอย้ทางศาสนาของเรามีคําสอนอย่างไงครับคือถ้าเราบริโภคเนื้อสัตว์ที่เราไม่ได้ไปสั่งเขานี่ไม่บาป ถ้าเราสั่งเขาล่วงหน้าไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้เอาไก่ตัวหนึ่งนี่ด้านเราไปซื้อมาอย่างนี้บาปแต่ถ้าเราไปที่ร้านแล้วเขามีไก่ตายขายอยู่แล้วก็ซื้อมาอย่างนี้ไม่บาปแต่มันก็เป็นการเพิ่มดีมาน supply ให้กับการฆ่าสัตว์ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่บริโภคเน้ำสัตว์มันก็ลดดีมานลงการค่าสัตว์ต่างก็จะลดลงใช่ไหมครับการตายของสัตว์ก็เท่าเดิมเรากินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ตสัตว์ที่เกิดมามันก็ต้องตายเหมือนกัน เพรนั้นเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาคือความตายของของสัตว์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นมันไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไ ร, รใช่หัหย ค, คุณคิดว่าคุณไม่กินเนื้อสัตว์เอสัตว์ที่คุณไม่กินมันจะไม่ตายเลยก็อย่างน้อยก็มียุยยืนยาวขึ้นนิดหนึ่งอะไรยาวขึ้นมาจะทุกนาทุกนานขึ้นก็ได้เป็นไก่นานขึ้นจะดีเลย อ่ามีท่านครับครับครับนานท่านอาจารย์ครับอ่จําได้ว่าท่านอาจารย์บอกว่าเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆเนี่ยนะฮะให้ฉวยโอกาสช่วงนั้นให้พิจารณาออกทางปัญญาหมายความว่าจะอย่าเพิ่งลืมตาจะไม่ให้หลับตาท้างอยู่ในท่าเดิมแล้ ว, วออก็้อ๋อไม่หมายถึงออกมาแล้วจะนั่งต่อก็ได้พิจารณาในขณะหลับตาก็ได้ หรือลุกขึ้นมาเดินจบพมต่อก็ได้ใช้การพิจารณาปัญญานี่สามารถทำได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะยืนยืนเดินนั่งหรือนอนถ้าถ้าจิตไม่ถ้าจิตไม่ได้อยู่ในความสงบนี้ก็สามารถพิจารณาได้แล้วการพิจารณาปัญญาก็มีสองลักษณะคือ พิจารณาแบบปัจจุบันทันด่วนคือเกิดออกจากสมาธิมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นพอออกมาบ้างก็ได้ข่าวว่าคนมาขโมยเงินในบ้านไปหมดเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเงินทองที่ถูกขโมยนะั้นมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราถึงเวลามันจะไปเราห้ามมันไม่ได้ถ้าเราอยากจะได้คืนมาเราก็จะทุกข์ใจ แต่ถ้าเราคิดว่ามันไปแล้วก็ไปเลยช่างมันมันจะกลับมาไม่กลับมาก็ช่างหัวมันเราก็จะดับความทุกข์ใจได้อันนี้พิจนารณาแบบแก้ปัญหาแบบปัจจุบันทันด่วนแต่ถ้ายังไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็พิจารณาไว้ล่วงหน้ากายว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราในวันนี้ทั้งวันเรามันก็อาจจะสูญจากเราไปได้หรือเราจะต้องจากมันไปเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับกับการพัดพากจากกันไป อันนี้ก็เป็นการทําการบ้านไปก่อนอก็ทําได้สองลักษณะด้วยกันโดยเฉพาะของที่เรารักเราหวงเราหวงเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราจะต้องจากเราไปอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องปล่อยเราต้องยอมรับความจริงถ้าเราไม่ปล่อยเรารักเราหวงเราต่อต้านเราจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็ไปห้ามการพัดพากจากกันไม่ได้อยู่ดี ให้คิดบ่อยๆเพราะว่าเรามักจะไม่ชอบคิดกันเรื่องราวเหล่านี้เรามักจะอยากคิดอยากจะให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆเป็นของเราเป็นนานๆดีกับเราเป็นนานๆแต่ความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอย่างตามความอยากของเราเราจึงต้องมาคอยสอนใจเตือนใจจนกระทั่งไม่ให้มันลืมให้มันพร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะรับกับการสูญเสียได้ทุกเวลานาที ต้อเตรียมตัวไปก่อนแม้กระทั่งร่างกายของเราชีวิตของเราอย่างเม่อวานนี้ก็เทศสอนให้หัดเจริญมรณาสสติกันให้สมมติว่าวันนี้เป็นวันตายของเราเตรียมตัวตายกันวันนี้เราพร้อมที่จะตายหรือยังถ้าเราพร้อมแล้วเราจะตายอย่างสงบตายอย่างสบายถ้าเราไม่พร้อมนี่เราจะตายอย่างเครียดตายอย่างวุ่นวายใจนี่คือปัญญา มีปัญหาอไหมถ้าไม่มีก็จะได้ปิดการประชมุม <c> ก <oughs> ็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังมาในวันนี้ไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติข่อความสุขความจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ